พวกสาขามาหลายสาขาต่างๆหลายร้อยปีนี้อัตามาเดถา ม, มายมปีนี้ยังมตรวจ ด, ดูนะอัตามาสอนว่า น, นี่ตั้งเกือบสามสิบปีละปล่อยให้ตามใจอยู่สบายๆบายอเลยถามว่าพวกอุบาสิกาแล้วนั่นนะพวกอุบาสกเราหลายหลายคนอันตามามาสอนอยู่เนี่ย จะสามสิบสีแล้วนั่นมีใครบ้างไหมในที่นี้ไอ้ตั้งใจจะปฏิบัติปฏิบัติไม่มากหรอกมีศีลห้าตลอดชีวิตมีบ้างไหมมองดูตากันดอกแหละอกแหละอกแหละ <c oughs> เลยไม่มีเลยนี่นี่เนี่ยมานี่คือขาดการปฏิบัติคือยังไม่ถึงใจ ยังไม่ปฏิบัตินีเรีนยกาม่รปฏิบัติอัตมาก็เลยว่าเอาซะหน่อยสักวันนั้นจะโกรธที่อะไรก็ไม่รู้อัตามา ร, รู้ว่ามีคนมันดูแลมีแต่ขี้คนหนึ่งมีแต่ขี้มันคนไม่มีถ้าคนแท้ๆมันต้องสมบูรณ์โดยสินห้าบังคัอันนี้ไม่มีคือไม่นึกเลยมากจะพยายามทำสินนี้ให้มันมีขึ้นตลอดชีวิต เลาเลยจ้ะสี่ห้า 4, คนก็ยังดีหรอกอันนั้นมันมีสักคนนึ่งนี่เดียว่าเราพร่องมากที่สุดพร่องจแล้วเพราะเราไม่เคยทํามาสมัยก่อนนั้น่ะที่อาตมาไม่ได้มาสอนนี้เรื่องสมาธินี่คงจะไม่ดูเรื่องเลยอืเรื่องศีลเรื่องสมา ธ, เมาธิเรื่องปัญญาเรื่องสมาธินี่ไม่ดูเรื่องอืมศีลก็รู้เจ้าว่าพูดกับพระไป ไม่รู้ว่าพูดไปไงจะไป ร, รู้พูดไปจะสมาธิยังไม่ดูเรื่องไม่เคยทำเลยเข้าไปในวัดก็ไม่มีใครฝึกสมาธินี้อย่างนี้ทีนี้ศีล ส, สมาธิไม่เริ่มปัญญาจะเกิดที่ไหนนี่ถ้ามาพูดถึงตรงนี้รู้สึ ก, กว่าพวกเรายังไกลกันมากที่สุดไกลกัน ใหญ่มากที่สุดอันนี้ไม่ต้องพูดทูงส่วนรวมหรอกรองให้การบ้านไปคิดคนคนเดียวอันนี้อาจะมาขึ้นไปเมืองเหนือไปไปเทศใหเขาก็รักษาศีลอย่างเงี้ยเขาว่าไาออนนาจารย์เทศออย่างเงี้ยท่านจะฉันข้าวกับอะไรไม่รู้อาจามาว่าไม่รู้ ถ้าอย่างนั้นเอาไหมผงจะโคบพริกกระเกลือมาให้ท่านฉันทุวันทุวันท่านจะฉันได้ไหมอาตมาใครจะทําใครโยงคนไหนจะทํามาเอาวันนี้ใครจะทํำไหมอ้าอย่าหนีจากการในเราถ้าโยงโคบพริกเกลือมาทุกวันทุวันอาตมาก็จะฉันในทุวันทุวัน อาตมาไม่เคยใครมีศรัทธาอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยเอาัห ม, มเอากันจินตีมัยมิตรไรปีก็เอากันไหมให้มรรคตุวานาขอยออกไป น, นัง่งอยู่โน่นเหมไม่กล้าทำหรอกมันพูดแต่ปากแค่นี้ใหยเราโจรท่านั้นแหละความจริงคนนั่งมรรคตุวานมันต้องมีศรัทธาไอคนพูดเช่นนั้นมันไม่มีศรัทธาหรอกมันพูดไปอย่างนั้น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 นี่ทนเอาอย่างนี้เราให้เงิ้นคืออืมที่ต้องเอาวันนั้นวันนี้อันนี้อันจะมาจนทึ่งลำคาพูดเดีวก็พูดอยู่แจะจะจก่มันส่จะตกยิ่งแล้วก็คือวันแต่งงานเนะ่ะเป็นวันที่สําคัญของเขามากอืมต้องเอาวันนั้นต้องเอารีบ อ, อย่างนั้นอย่างนี้อุย้ยอาภผ้าล่วงตาตัฉันจะนั่งเหนื่อยจะตายแล้วอย่างนั้นแล้วนะ อืมนะถ้าไม่ได้ลึกไม่เอาต้องให้ได้ลึกอืมอัตมาก็คอยสังเกตมาใครมีลึกดีๆนั่นอ่ะมันเป็นไงไหมมันดีหบางคนก็อยู่ไม่ถึงเดือนทะเลาะกันไปเลยเอา้าวดูสิอืมมันเป็นแคอย่างนี้แล้วก็มาใส่สังเกตเหตุผลละ่ะก็ต้องเอาวันนั้นวันนั้นมันจมวันนั้นมันฟูวันนั้นมันจม ข้างขึ้นข้างแล้งต้องทํำข้างขึ้นข้างแรงอย่าเอาคือเดือนมันตกไปเศร้าไปมันหมดแสงมันเนี่ยเ อ, อ่ก็ไปถือเอาเรื่องอะไรนั้นมาทำรื้ของเราซ ะ, ะรื้อมันก็เป็นเรื่องของรืเวลาก็เป็นเรื่องของเวลาอมืมันไม่ใช่มาเกี่ยวข้องกับเรา ถ้าเราไปคิดอะไรกันมากขึ้นมันก็ถือกันขึ้นอนไรก็เป็นอยนนั้นทุกอย่างเรื่องพุทธศาสนาของเรานี้ยุ่งเหยิงหลายอย่างจนกระทั่งทีว่าพูดไม่ค่คยจะได้กันทีนี้เรา ม, ามองคิดไปเป็นอย่างนั้นพรัตนาไกลของเราจะเสื่อมไหมเศร้ามองมันก็เศร้ามองเท่านั้นเนี่ มันก็เสือมมันกเ็เศร้าหมองอืมฤกมันดียามมันดีอะไรมันดีอะไรที่มันเหมาะสมมันที่ไม่ขัดขอ้องอะไรละแตมาวะมันดีแล้วทั้งพูดเดียวนี้ก็ยังถือมาตลอดทุกวันนี้ไม่เคยเห็นเป็นอะไรไม่เคยมีจิตตัวตรงอย่างนั้นเมื่อมองมองดูคนบางคนตระกูลบางตระกูลโยมบางโยมก็มดาบากมาก แต่งงานถ้าไปถึงบึจริงๆแล้วแหละไม่ต้องหองง น, นจ ะ, จะต้องลดงานถระอาจารย์เสร็จแล้วก็นั่งคอยอยูน่น่ะแล้วไปถึงดึกงสันาโตโยติยาโมเร่เนี่ยอือก็ดีบ้างได้บ้างเสียบ้างเหมือนกันบางคนก็อยู่ด้วยกันไป เดือนหนึ่งสองเดือนเน่ะพูดไม่รู้เรื่องกันนี้ไปแล้วทํำไมลูกมันไม่คุมแตะะ่ละลูกมันไปตรงไหนออันนี้ให้โยมคิดเนี่ยอาจจะมาเคยพูดอยู่ดีๆให้โยมคิดอืให้โยมคิ ด, คดไม่พูดถึงการตกลงกันนะเราเราต้องเอาวันนั่นทันตกลงกันอันนี้เป็นอย่างหนึ่งถ้าเราตกลงกันวันไหนก็ตกลงกันวันนั้นนี่ อันนี้เรื่องตกลงกันช้อมเพียงสามัชีกันไม่ใช่ว่าไม่ได้วันจันไหนเอาละนี่ไม่ได้วันอังคารไห่เอาละไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องยุ่งไม่มากเลยเท่านี้ละมันมันมันมันก็ยุ่งแล้ว<อ>เมื่อเราตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไอ้เป็นมงคลตื่นข่าวนี้ออกเท่านี้แล้วก็ ม, มันก็เก้าขึไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดสูงส่งนีแล้วนนี่จะสบายกันจะสะดวกกันทุกอย่างอย่างตามบ้นนอกเรานะทำได้ทำนาทำค้าทำกายทำโน่นทำ น, น, ทำนี่อย่างนี้เห็ น, นอืมยิ่งขัดข้องลายโดยการถือกันนี่ก็ลำบาก อีกอาจจะมาอยู่วันหนึ่งเขาให้เอาหนังเสือมาให้ลงขาษาให้อืหนังหนาผากเสือนี่มันต้องฆ่ามันถึงเอาหนังหนาผากไว้มาได้ก็ น, นึกว่าเราได้ของดีแล้วเอาไมา่ต้องพ่อลงคาษาให้จะลงอะไรทําไมเสือก็ไปฆ่ามันแล้วเนี่ยหนังมันจะดีอะไรเนี่ยหนังมันจะดีอะไร ไปฆ่าตัวงเอาหนังเสือมาเอามาลงคทถาอีกล้วนี่ถือกันไปอย่างนี้อืมไอ้ที่มันดีจะไปฆ่าเสือนั่นแหละมันดีแล้วอันนี้ไปฆ่าเขาตายยังถือมาตัวดีเอาหนังมัมาลงคทถาอีกจะทำอะไรต่อไปอีกัน้นเป็นอย่างนี้มันถือผิดกันนู้ดทุกนายเหล่านี้กองคิวมัดอัตมาเนี่ยมัดทุ่มกองพระตีเพลินทิมทิม มีอาจารย์องค์ไหนก็ไม่รู้ว่าถ้าได้นังหน้าหน้ากองมาได้จะลงคาถาให้ก็เลยไปถ่ายเอากองเพลินที่วัดน้องวัดทุ่งปาดหน้ากองที่วัดเลยเอาไปลงคาถาก็คงจะเห็นไอ้กองเพลินมันดังเนาะถ้าตีกันไปคนมารวมกันเนาะอันนี้คงจะดีแน่แต่ว่าไงไมั้งเอามาลงคาถาซะอย่างนี้เรื่องทั้งหลายแล้วนี้มันหลายเดือดแดดไปเกิน นะเมื่อค้นถึงพุทธศาสนาเราแล้วจริงๆนั่นน่ะมันก็ลําบากอยู่นี่ม่นจะเอาตรงไหนมันดีอืมันลําบากออืการปฏิบัติของเรานั้นมันพึ่งไม่ปรากฏผลขึ้นมาอไม่ปรากฏผลขึ้นมาไม่ปรากฏผลขึ้นมาอื เรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธองค์มันยุ่งตัดทิ้งมันเป็นเรื่องของพราหมณ์พราหมณ์เขาบูชายันทําไมพราหมณ์ถึงบูชายันอืเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาก็จึงบูชายันมันตรงกันข้ามกับทางพุทธศาสนาของเราทําไมถึงทําบุญกันทําบุญกันทําไม ทำบุญกันพระพุทธเจ้าของเราหมายถึงเรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตั ว, ห, ตวหรือทำไปเพื่อเจนาให้กำจัดความโรคออกจากใจของเราอย่างนี้เดี๋ยว ม, มันไปคนลักข้างเจและมันไกลอย่างนั้นพูดถึงพระรัตนตรัยนั้น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 ไม่รู้จะทำกันไม่เคยมองเห็นตรงไห น, นอันนี้ให้พวกเราไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้แต่ว่าเป็นพระนี้มันไกลจากความกังวลมากแต่ว่าอบางแห่งก็ยิ่งกังวลมากขึ้น ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสี่สิบลำบากอยู่เพราะนั้นการภาวนานี้ธรรมะนี่จึงใช่การภาวนาการจิตรน า, า, ร า, นาอย่างพระนวะกะิกานเทศให้ฟังเน่ะท่านมารวมเสียว่าพุทธศาสนานี้ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ เ, นเรียนมาก ขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบตัติอันนี้ท่านพูดสั้นๆท่านมีความนึกคิดขึ้นเห็นยังไงก็ไม่รู้ของท่านพูดสั้นๆจะถูกทั้งหมดเลยมันอยู่ที่การปฏิบตัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วทุกอย่างอมันไม่เกิดประโยชน์ มันเสียหายอืมพว่าเราทำนาอืเราทำนากระทั่งทุ่งหนึ่งแต่รู้สึงคือมันจะเกี่ยวเอาเราไม่ไปเกี่ยวมันก็เสียหายมากการกระทำนั้นก็ไม่ได้ผลเนี่ยมันเกิดเปรียบเทียบกันอย่างนี้แต่ว่าทำไมการปฏิบัติทำไมมันถึงยากอืม ทุกอย่างมันต้องข้ามจริงๆว่ามันยากไว้ก่อนมันถึงจะง่ายขี้สัญญาตว่าทุกทุกพอเราเห็นทุกอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่พอแต่แรกทุกไม่อยากจะดูทุกไอ้ความ จ, จริงตัวทุกคือตัวสัจธรรมสัจธรรม อแต่ละอ้อมนี่จะไม่อยากจะดูทุกข์ไม่อยาจะดูทุกข์ดูอีกอย่าง่ะคนแก่ๆนี่ก็ไม่อยากจะดูอยากจะดูคนหนุ่มๆเป็นแค่อย่างนั้นอทุกข์นี่ไม่อยากจะดูไม่อยากจะดูทุกข์มันก็ไม่รู้จักทุกข์ตลอดกี่พวกรกี่ชาติไม่รู้จักทุกข์ ทุก็เป็นเป็นตัวอริยสัตว์เป็นสัตว์จะทำทุกข์มันทุกข์ถ้าทุกเป็นเหตุให้เราคิดหลบหนีแก้ไขที่นี่เทวศัยอย่างที่นี่มันมันรกนะไปไม่เคยไม่เคยได้ทางนี้มันลก ไปมันรกอยู่นั่นแหละไปแต่แล้วก็ไปไม่หยุดไอ้ความคิดมันก็คิดขึ้นทำยังไงเนอะถนนเส้นนี้มันถึงจะไปง่ายไปทุกวันคิดทุกวันไปทุกวันจรินี่มันเกิดความคิดอย่างนี้อืเนี่ไอ้คือที่ว่ามันในสรวงคือตัวปัญหาตัวปัญหานี่มันเกิดขึ้นมามันจะพึ่งหาเฉลยแก้ปัญหานั้นถ้าไม่มีทุก มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องพิจาราอะไรเลยอย่างนี้อันนี้เราข้ามไปพระพุทธองค์กานจึงสอนว่าทุกยังอจะมาฝึกหัดพระสุธนเล่าให้ฟังดูไหมขันเล่ามันทุกข์เหลือเกินใช่ไหมมันทุกข์จะให้มันทุกข์ก่อนดีมันจึงอดทนไม่มีความอดทนมันจะเห็นธรรมะไหมอืมมันทุกข์ เห็นไหมทำไมตีสามไม่เคยจะตื่นเลยพอตีสามเอาแล้วลังคังงานงานงานแล้วแม่เรามันสองโมงเช้าหรือโมงขึ้นหรือตื่นยินในบ้านเราอันนี้มาตื่นตีสามมันก็แย่ทำไมไม่เจ้อยากหดดลุดหนีล่ะก็คิดถึงบ้านเท่า น, นั้นแหละอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เราไม่ลำบากแต่นี้ไปมันจะดีกว่า มันเป็นทุกข์ทำไมนมอยทุกข์การโกฉันท่าตัางยีส่สิบสสิบที่อตมาก็ให้ฉันเป็นดาบกันไปดีดีแม่เมื่อเวลาเราหิวหวนะน่ะยนะเวลามันนี่หิวเด็กๆทำไมฉันพ้อมกันไม่ได้ที่ทำมันยุ่งยากมีฮนะมันยุ่งยากแล้วมันดี ม, มันอดทนดี ท, ท, il, homepage, muscular, ที่พร yep. ะไม่มาก็ฉันอยากยืมฉันก็ฉันอยากนอนฉัน้ก็ฉันอะไรฉันก็มันก็มาพบถึงนี้เขามันก็ทุกข์พระก็สองชั้นโดยระลอกสั้นไปกว่าจะถึงเราแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันเต็มที่อดแล้วอดอีกอดแล้วมันก็ทุกข์กว่าที่จะปรับตัวเขาได้นี่ยสามพรรษาสามเดือนอัจมาตุเคยบอกว่าพระนบตะเรานั้นทางแรกปลอดภยให้อ่า เดือนที่สามนี่พอรู้เรื่องก็งยึดนี่ว่ามันผ่านพุกมา น, นั่นเองเแี่ยทีนี่ถ้าได้ผ่านที่นี่เอาไปติเจะสิบไปทำมาค่าขายจะทําอะไรไปตนมีกําลังการงานดีขึ้นมีกําลังขึ้นดีขึ้นเี่ยกําลังที่จะทํามันง่ายเนี่ยมมีลูกศิษย์องค์หนึ่งที่มาอยู่ด้วย ตื่นตีสามนอนเมื่อคี้หกทุ่มตีสี่ท่านมาอยู่ถุกไปเป็นทหารอยู่โอ้โหการอยู่อยู่เวรเขาเน่เขามันจะตายเล้วติดตารางเรื่อยไอค้คนคนนี้เขาสวา ย, เ, ยเดินจุดโกมสมยัยเจ้านายรัก ออกไปในบนมาอุ้ยทหารมันจะวายได้อเกินมันไม่ยากหรอกมันง่ายงไอคนนั้นไม่เคยไปดกรรมฐารมันจะตายแล้วนี่ยนีะนี่ดุกจิตนาวียืนไปตับบาววดีเดนี่เป็นสิทธิธรรมั่งเลยนี่ยนี่ที่มาบวดวัดปตถภงมันเป็นทุกอืมันเป็นทุกเพราะเห็นว่าทุกนั่นแหละมันเป็นทางการรู้ของพระพุทธเจ้าของเรา ท่าหเห็นทุกทุกชะมูทัยมีโรธมักออกช่อง น, นี้เลยพระอเดียบุคคลออกช่อง น, นี้ อ, อืออกช่องนี้ไม่ออกช่องไหนใครจะไปตรงไหนออกช่อง น, นี้ไม่มีที่ออกลออกช่อง น, นี้ออกรู้จากทุกรู้จากเหตุเกิดของทุกรู้จากความหลักทุกรู้จากข้อปฏิบัติถึงทุความหลักทุกออกช่อง น, นี้ ถ้าโสราวันเบื้องต้นพระดิยบุคคลเบื้องต้นจนปลายออกตรงนี้ไม่มีทางที่จะออกถ้าไม่รู้จักทุกออกไม่ได้ต้องรู้จักทุกคนเรามันรู้จักทุกทุกอะไรทุกอย่างมันทุกทุกใจของเรานี่สารพัดอย่างโยมก็เคยจะทุกข์กันนะว่างี่คือปฏิบัติเนี่ยในทางพุทธศาสน์เพื่อแก้ทุก ทำอะไรจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เมื่อทําทุกมันทุกข์ขึ้นมาเลยเมื่อทุกข์ขึ้นมาจะตามหาเนี่ยทุกข์อมันเกิดจากอะไรเนี่ยแต่ก็ตามหามันเออมันเกิดจากตรงนั้นท่านก็ไปทําลายเหตุตรงนั้นจ้ะไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์จะ ก, ก่อนอจึงรู้ใจเลยมันทุกข์มาจากอะไร จึุดตามมันไปอีกจึงไปแก้ตรงนั้นน้อมันเกิดจากอันนั้นก็ไปทําลายสิ่งที่มันเกิดนั่นในนี้ใช่ไหมด้วยการปฏิบัติของนั้นทุกสมุทยัยมีโทษไอ้ความหลับเช่นนั้นมันมีอยู่จะต้องหาข้อประพฤติประจิบันเป็นมั่งเพื่อจะเดินทางเข้าไปดับทุกแก้ตรงนั้นทุกมันที่จะไม่เกิดแล้วอย่างนี้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 ทิ้งร่างกายทิ้งตัวนี่ต้องตกอืงตกลงถวายชีวิตอย่างนี้อย่างพระที่ท่าบวชมาอย่างพระพุทธองค์อะไรไหมพระพุทธอง์เป็นกษัตริย์เห็นไหมคนเราไปเห็นแต่เป็นกษัตริย์ออกมาบวชไม่สิกสิท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ไปได้ที่อะไรท่านก็ลำรวยมดทุกอย่างแล้วท่านก็ไปได้เนี่ย อก็ไปเห็นอย่างนั้นอีกอรู้ไหมว่าไอ้ตันหามีประมาณไหมว่าขนาดไหนตันหามันทุงจะพอมีไหมมันมีไหมมตันหานั่นได้มาขนาดไหนมันทุงจะพอเห็นไหมตันถานี่ระดับไม่พอไม่มีเมืองพอใช่ไหมตันหานไม่พอ มันก็อยากอยู่เรื่อยไปนลยเนี่ยแม่จนทุกข์จ น, จ, นจะทุกข์จะตายอยู่มันก็ยังอยากเลยเพราะว่าเมืองพอมันไม่มีอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าความเป็นจริงแล้วนะไอ้คนเราเนี่ย้าคิดแนตะ่มันให้มันสมรุนพอสมควรเลยนะเอาพูดถึงนะเครื่องแต่งตัวนั้นนะมันกี่ชุดนะข้าวปลาอาหารเราน้ น, นะกินมากสลาย อย่างน้อยกะทีนี่สองจานพอแล้วนะเอี่ยข้างนึงสองจานก็พอแล้วเครื่องแต่งตัวของเรามีแต่ชุดสองชุดมันก็พอแล้วนะถ้าหากว่าเรารู้จักประมาณของเราแล้วมันก็สบายนี่เราไม่ได้จักประมาณท้าพระเจ้าองค์ท่านสอ น, นเสมอว่าสันตุ สีจักระทาเป็นคาถาของเศรษฐีคือแปลว่าความยินดีในของที่มีอยู่สารพิจิตรถาษยินดีในของที่เรามีอยู่นี่เป็นเศรษฐีคาถาเศรษฐีก็เป็นอย่างนี้ให้เรายินดีในของที่มีอยู่ของเรา แต่ธรรมะข้อนี้ไม่ได้ก็วุ่นวายอีกไม่ไม่หมายถึงว่ามันมีแก้วใบเดียวแถานี้นก็เอาใบเดียวแถานี้อื่นมาอีกไม่เอาไม่ใช่อย่าง น, านัน้นถ้าหากว่ามีแก้วใบเดียวแถานี้ในเวลานี้เราก็ต้องการใบนี้แถวนี้ในดินลนนะ อีกพรุ่งนี้ประเด็นนี้มีผู้เอามาให้อีกใบหนึ่งเราก็เอานะแต่ยิมมีสองใบนี้ใบที่สามนั่นเฉยใช้สองใบมีไปอยู่นี้นะมันจะมีสองใบก็ใช้มันสองใบนี้แค่พยายามเหมือนกันใบที่สามมันไม่พอใจก็พยายามไปพยายามเท่าที่มันพอได้ของมันไม่เห็นมันเหลือในสิ่งที่พอได้อย่างนี้ เรื่อยไปอย่างนี้เดียวยินดีในของที่มีอยู่ไม่ใช่บานมีตรงนี้ตรงนี้จองกันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนว่าถ้ายินดีในของที่มีอยู่เรนจะพออยู่พอกินไหมจะพูดไปอย่างวันนี้ทุกวันเราหาเงินในวันละร้อยบาททุกวันทุกวันนะพอถึงวันนี้มันในยี่สิบห้าบาทมันเย็นแล้วนะลุกพอ มันเย็นในบทเวลาละพอแล้วถ้าคนไม่รู้เรื่องหัวเมียกระเทาะกันใชนี่วันนี้พอแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้หาหาอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ห้าสิบาทก็พอนะพอไม่ต้องยุ่งมันใช้ในระดับอันที่มันมีมานั้นอืต่อไปอีกเราหาได้อีกต่อไปอีกหลายวันนี้ในร้อยบาทเสาว ต่อไปอีกในสิบบาทเอ า, เอาสิบบาทต่เอเอาอย่างนี้ก็เรียกว่าสันตุิคาถายินดีในของที่มีอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่ว่าเราหยุดแค่นี้เวลานี้คือเรียกว่าไม่ให้เกิดตัญหาถ้าตัญหาเกิดมาแล้วมันทุกข์ถ้าเราเอาอย่างนี้มันทุกข์มันไม่มีด้แค่นี้แล้วก็เอาแค่นี้อย่างนี้ไม่ก็ธรรมดาธรรมดาของเรา ข้าวสารมระสอบของเราในหม้อของเรามันหิวเอามากอกใ น, นหมอ้อามาหงุงอันนี้ไม่ใช่ว่าตัญหาหุงกินแล้วก็แล้วไปหมดเดี๋ยวก็หาใหม่มาไม่ใช่ว่าอยากข้าวมันก็เป็นตัญหาเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นอยากเป็นตัญหามันเดือดร้อนีตัวไม่ได้เหดียดเยน็นคนอื่นสารพัดอย่างมันก็เป็นตัญหาอย่างนั้นนี่คนเราถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนี้ มันก็เป็นทุกข์ของมันอืมถ้าฟังคําหนึ่งก็ได้ว่าสันตติกัฏฐานี่ก็เดียกว่าเป็นธรรมสัน้นๆเป็นธรรมเฉกขวางข้อ ง, องนี่คือเป็นธรรมที่ย็นเย็นไม่ใช่คนไม่มีปัญญาคนนี่คือคนมีปัญญาอืเป็นคนมีปัญญาเออยู่ไปเรื่อยๆเป็นบันบันบับัน บ, น บ, น บ, น บ, นบนไปแต่นั่นอืมอืมอืม นี่เรียกว่าเรารู้จักเรารู้จักใช้เรารู้จักทุ่มเรารู้จักประหยัดพระบรมศ า, ศาสดาของเรา ส, สอนมาให้รู้จักให้ประหยัดนั่นเองอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ตนันนีคือคนรู้จักใช้คนตันนีก็เป็นอย่างหนึ่ง ของที่ครจะทานก็ไม่ทานจนเจ็บเป็นไข้ก็ไม่รักษากตัวตะตางจะหมดไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่รู้จักใช่รู้จักมัธยัติคนใช่ในราชีจำเป็นอย่าเอาไปเล่นทั่วไปอืมอย่างี้รู้จักประมาณในการอืมทั้งหลายทั้งปวงรู้จักประมาณตลอดการอยู่การกินการหลับการนอนการพูดการจาทุกอย่างให้รู้จักประมาณ คือเป็นผู้รู้จักประมาณไม่ใช่เป็นคนขี้สนิถ้าเป็นคนที้สนิทพระพุทธองค์ท่านก็ไม่เอาอีกไม่ให้เดินทางนั้นอีกให้เป็นคนรู้จักใช้อย่างนี้เพื่อจะมาให้ทุกข์มันเกิดขึ้นมามเป็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นจึงมีประโยชน์อัตมาจริงบอกว่าไอ้ศาสตร์นี่มันน่าศึกษาความรู้ในทางพุทธศาสนานั้นมันน่าศึกษา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 พระพุทธองค์ท่านพุกไป ว, วนมาและพิจรารณานั่นเห็นความเกิดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ<อ>เกิดที่ละพายทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมามันเกิดพุกขึ้นมาทีเดียวยมีตาพร้อมมีปากพร้อมมีจมูกพร้อมมีสารพัดอย่างมันมีขึ้นมาพร้อมกันเลยอืีเพราะการเกิดนั่นเองแหละอืแต่พวกเราว่าถ้าถ้าตายไม่ได้เกิดนั่นเ ท, ท่านั้นวชิบหายจะแล้ว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 อีกคนตายก็เห็นแต่ลมหายใจหมดแล้วนั่นแ่ะตายคงจะเห็นแค่นั้นการเกิดก็เหมือนกันเมื่อคนนั้นเกิดโโไปเมานนไปคลอดโรงพยาบาลเลยเกิดแล้วเนี่ยเท่านี้อืมนะขณะจิตที่มันเกิดเนี่ยที่มันวุ่นวายในบ้านเหน็นไหมบางทีเกิดความรักบางทีเกิดความเกลียด บางทีเกิดความไม่พอใจบางทีเกิดความพอใจสารพัดอย่างนี่เป็นเรื่องเกิดทั้งนั้นเนี่ยมันทุกข์เพราะอันนี้เองมองตาไปเห็นลกูกก็เกิดไม่ชอบใจนี่นก็ทุกข์ละหูฟังเสียงน่ะชอบใจหลายนี่ก็ทุกข์อีกแล้วมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้ท่านสารูปว่ารวมแล้วนั่นน่ะมันมีแต่ความทุกข์ ทุกมันเกิดขึ้นแล้วทุกมันหลับนะทุกมันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกมันหลับมีเรื่องสองเรื่องเท่านี้ทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับแล้วก็จะคุบมันจะคุบมันเกิดแต่คุบมันหลับก็จะคุบอยู่อย่างเงี้ยนั่นไม่จบเรื่องมันจะทีนี้นะเรื่องทุกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าทุกถ้าทุกมันดับไปตรงที่มันดับไปเราเรียกว่าสุข เนี่ยของเก่านั่นแหละที่มันเกิดได้มันดับพระสันเทิงบอกว่าให้พิจารณาว่ารู้น่านามธรรมนี่มันเกิดได้ก็ดับไม่มีอื่นไกลนอกไปกว่านั้นนอกจากมันเกิดกับดับแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ถ้าพูดตามส่วนนี้ว่าสุขมันไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ทุกเกิดแล้วเราเห็นว่มมันทุกข์ ไอ้ที่มันหับไปนั่นกระทุกหลับไปเฉยๆไม่ใคยสุกหรอกแต่เราไปหมายเอาตรงนั้นว่ามันสุกกระทุกอันเก่ามัน่ะมันละเอียดตรงนั้นทุกเกิดทุกหลับทุกเกิดทุกหลับแล้วก็ตะคุบอย่างนี้ตะคุบอย่างเนี้อืมสุกเกิดขึ้นมาสวัสดีใจทุกข์ไม่แยใจอย่างเนี้ยคืออันเดียวนันเกิดมันดับถ้ามันเกิดขึ้นนั้นมันก็มีถ้ามันดับตรงนั้นก็หายสงสัยอยู่ตรงนี้แหละ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 ถ้าทันสารูปแล้วว่ามีแต่เกิดกับหลับเท่านั้นนอกเหนือนั้นไม่มีอีกแล้วทีเนี้ยพูดเท่านี้ก็ฟังยากแล้วใครเรานะพูดเท่านี้ก็ฟังยากเป็นของฟังยากอืแต่ผู้ซึ่งในธรรมะนั่นไม่ต้องรับอะไรแล้วมันสบายตรงนั้นมันจริงอย่างนั้นอไอ้ความเป็นจริงในโลกที่เราอยู่นี่ไม่มีอะไรทําไมใครเลยเนี่ย ที่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรจะเป็นเป็นที่จะวีตกวีจาร์เลยไม่มีที่จะอะไรจะเป็นที่นะ่าร้องไห้ไม่มีสิ่งใดที่จะหัวเราะไม่ไมีมันเป็นเรื่องอยู่อย่างนั้นธรรมดาธรรมดาแต่เราพูดธรรมดาก็ได้แต่เห็นธรรมดาจร้องไห้เนี่ยเซมว่ามันเป็นธรรมดาพูดย่ำอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้จักของธรรมดาอย่างนี้ไอ้ความจริงจริงนั่น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 ต้องการในตัววันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันสงบมันเป็นสุขเป็นทุกข์ในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่นสอนนั่นท่านว่าให้ปฏิบัติสร้างกรรมอีกชนิดหนึง่งให้มันเหนือสุขทุกข์อันนี้มันถึงจะสงบนี่เหนือแล้วเหนือแล้วนี่เราเรคิดไปไม่ได้ตรงนี้มันคิดไปไม่ได้ คิดได้แต่ว่าสุขนั่นคือความสงบได้สุขแล้วก็พอแล้วได้สุขก็พอแล้วแค่นั้นมนุษย์เราทั้งหลายจึงจะปรารถนาแต่สิ่งที่อะไรที่มันได้มากๆถ้าอะไรมากก็ดีนี่นี่ได้มากก็ดีคิดแต่อย่างนี้กันโดยมากก็คิดกันอย่างนี้เห็นแล้มันสุดแค่นั้น ดียกว่าการทำดีนั้น่ในดีแล้วมันจบแค่นั้นเนี่ยฉันต้องการแค่นั้นก็พอแล้วว่าดีมันจบตรงไหนเล่าดีมันจบตรงไหนน่ะอมันก็วกไปบนมาอย่างนั้น่ะดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดีแล้วก็ดีอย่งั้นะตะคุบอยู่องั้นตลอดวันอย่างข้ามพระพุทธองค์กันสอนว่ามึ่งให้ละความชั่วแต่ก็ให้ ก็ทำตามความดีก็ทำไปดีนี่ตอนที่สองท่านจะสอนว่าไอ้ความชั่วก็ต้องทิ้งมันเสียไอ้ความดีก็ต้องละมันเหมือนกันไม่ต้องมันหมายมั่นเพราะนี่เป็นเชือเพลิงกันหนงมันมีเชืออยู่มันจะเป็นเชือเพลิงมันลุกขึ้นมาอีกไอ้ความดีมันก็เป็นเชือไอ้ความชั่วมันก็เป็นเชือ อันนี้ถ้าพูดถึงคันนี้เนี่ยมันฆ่าคนซะแล้วนี่คนคิดตามไม่ไหวซะแล้วอย่างนั่นแต่จริงบกมาสอนศีลศีลธรรมกันอืมให้มีศีลธรรมอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและ ก, กันให้ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้ท่านก็บอกให้ขนาดนี้มันก็ยังไม่หยุดซะแล้วอมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ คือเรามันเป็นอยู่อย่างนั้น น, นี่เพราะทั้งหลายเ่านี่ก็เพราะอะไรเนี่ยมันมันเป็นมาเพราะการเกิดที่เราสวดสมจักกันเนี่ยนี่แถวนี้การเกิดอีกไม่มีเป็นชาติที่สุดแล้ว ก, การเกิดอีกของตถาคตทัานไม่มีมันไปพูดเอาสิ่งที่เราไม่ปรานถนานี่ยอย่างนี้ถ้าเราฟังธรรมะเนี่ยเออมันเจ้ากายกันอยู่อย่างนี้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 นี่พูดถิ่นอย่าพ้นจากบรรดาสงสารจริงๆ น, น้อยที่นี้จะพูดไปธรรมะอันละเอียดจริงจริงแล้วโยมเรานะ่ะกลัวนี่เนะ่ะกลัวไม่กล้าไหมที่แต่ขนาดที่าอย่าไปทำความชั่วขนาดนี้ก็ยังเอาไมิเคยด่านะมันเป็นไซนี้แค่นั้นอาจะมาก็เคยเทศบอกว่า หลายอย่างอวายกรรมาเทศได้ฟังโยงดีใจก็ก็ตามเสียใจก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามร้องไห้ก็ตามร้องเพลงก็ตามเถอะอยู่ในโลกนี้มันอยู่ในกรงทางนั้นแหละไม่พ้นไปจากกรงถึงแม้มันจะรวยก็อยู่ในกรงมันจะจนมันก็อยู่ในกรงมันจะร้องไห้มันก็อยู่ในกรง มันจะลำบงอยู่ก็ลำบงอยู่ในกรงมันจะดูหนังแต่ดูหนังอยู่ในกรงกรงอะไรเล่ากรงคือความเกิดนี่กรงคือความแก่กรงคือความเจ็บกรงคือความตายนี่เปรียบเรื่องมันเป็นนกเขาที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเราเนอืยแต่คนไม่ดูกงไม่ดูจักแล้ว เ, เอานกเขามาเลี้ยงไว้ในบ้านของเราเนี่ะ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 มันจะออกจากโลงไปแต่เจ้าของนกกันไม่ดูเรื่องแม่นกฉันมันขันดีน่ะกลางคืนมันก็ขันหน้าเดือนง่ายงนกฉันนั่นน่ะยังคุยโห่ไปโน่ตอีกนกเขามันจะตายแล้วมันจะออกจากโลงไม่ดูเรื่องกันเลยอย่างนี้เหมือนกับเราขังไวในโลกนี้แหละอันนั้นก็ของฉันอันนั้นของฉันก็มีอันนั้นก็มีสารพัดอย่างไม่รูเรื่องของเจ้าของ ในความเป็นจริงก็คือสะสมกองทุกข์ไว้ในตัวของเรานเองในอุนไกรเราเพื่อไม่ได้มองถึงตัวเหมือ น, นเราไม่มองถึงนกเขาเนี่นนะเห็นมันอยู่สบายกินสบายกินน้ําก็ได้กินอาหารก็ได้สบายเห็นว่ามันเป็นสุขเรานี่ก็เหมือนกันถึงมันจะแสนสุขแสนสบายขนาดไหนก็จังเทอะมันเกิดมาแล้วต่อไปก็ต้องแก่แก่ก็ต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายเนี่ยทุกข์แล้วที่มันเป็นทุกข์อย่างเนี้ย แคนั้นเราก็ต้องปรารถนาอีกอืมชาติหน้าขอให้อิชันเนี่ยเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเศรษฐีกิดเุ็พีอีเอาหนักกวเก่าอีกนาะเอาให้มันหนักกว่าเก่าอีกอืมก็คิดว่ามันจะสบายกว่า น, นั้นเนี่ยนึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือความคิดมันไปคนละเรื่องกันอย่างนี้อืมคือมันหนักพระพุทธองค์มาทิ้งฉันทิ้งไม่ได้ ก็ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักไเรื่อยๆีนี้คือความเกิดมันเป็นเหตุให้หนักอย่างนี้เรามองกันไม่เห็นในแง่นี้อื ม, มันเป็นไรเช่นนั้นถ้าหากว่าไม่เกิดเราจะเราก็เรียกว่ามันบาปที่สุดแล้วคนตายไม่เกิดบาปที่สุดะแล้วมันก็ไปกันในรูปอ น, นั้นอันนี้เราจะทะลุผู้ปวงถึงธรรมะนี่มันยังยากจะต้องใช้การพิจารณาแต่อย่างไรก็ช่างเถอะ เรามาย้อนเอาแตเรื่องบาศีและธรรมเรานี่ดีกว่านะไอ้พวกเราอยู่ในคณรวาสเนี่ยอืการทํามาหากินของเหล่านี่ไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนอทํำสำอ า, อาชีวะของเหล่านี้ให้ตรงไปอืม <c oughs> แต่ว่ามันหลายคนนี่อยู่ในโลกนี้นะไอ้คนนั้นในเบียดเบียนคนนี้ก็เบียดเบียนอืมทําไปทํามาก็เลยเป็นคนไม่รู้เรื่องกันอีลรวุ่นวายกันอยู่เรื่อยไปอย่างเนี้ย อันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญอันหนึ่งเราจะต้องภาวนาเลยพิจารณาทุกคนทุกคนอยากจะค้นทุกข์เทนั้นแหละอืมแต่ว่าพนทุกแค่ไหนอะไรไม่รู้เรื่องกันอย่างนี้ฉะนั้นบ้านเรานี้เดียวกัเป็นเป็นเจ้าของพุทธศาสนานั้นไม่ซึ้งในหลักธรรมพุทธศาสนาที่แท้จริงที่แท้พ่อถือกันมาเรื่อยๆมาอย่างนี้ก็เป็นมาเรื่อยๆมา จะมาภาวนาอย่างนั้นไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะมีแม้ตลอดเป็นพระจะมาภาวนาเรื่องจิตใจของนนเป็นอย่างนั้นอย่างไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมี เ, เรียกว่าเราห่างเหลือเกินหางจากพุทธศาสนาห่างน้วก็อีกประการหนึ่งเข้าใจว่าไอ้พวกเรานั่ น, นอืมบวชจริงจะปฏิบัติได้นี่นี่เกิดทุกคนเกิดทุกคน ผู้หญิงบนงน่นคนนู้อยากเป็นผู้ชายนี่จะนี่ไปบวชเถเนี่นี่ก็นร่กว่าบวชนั่นจะทำความดีได้แต่นักบวชให้ย้อนกลับไปถึงเราดีๆเถอะนะการทำดีทำชั่วมันอยู่กับตัวเรามไม่อยู่กับตัวเราทั้งนั้นอย่าไปหุ่งถึงการบวชหรือการไม่บวชถึงบวชไม่บวช ขอแต่ว่าเราสร้างความดีของเราด้วยไปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนเราทั้งหลายนี่บ้านเรานี่ชอบเห็นแต่อย่างนั้นมากเกินไปไม่ชอบเห็นเรื่องศาสนานี่เราไม่รู้มันนะเรื่องศาสนานี่เรื่องให้ปล่อยตัวออกจากกรง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 เรื่องแก้ปัญหาในชีวิตของเจ้าของนี้มีพระพุทธเจ้าองค์นู้ปราดทั้งหลายเปนสอนว่าให้มีสีธรรมให้ดูจากสีธรรมสีธรรมเช่นว่าเทพอันนี้ของใครฉันอยากได้เหมือนกันแต่ฉันจะขโมยเอากลัวมันจะบาปนี่เท่านี้ก็พอแล้วมีเดียวกับสีธรรม เทคนิคของเขาถ้าเราไปเอามามีความผิดกลัวความผิดนั่นไม่ทำนี้นี่เดียวว่าสีจะทมเท่านี้เห็นชัดอย่างนี้ก็จะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแก่ตเนเลยพวกเราอัจอริมะเคยพูดว่าพวกเราทั้งหลายนี้ปีสองปีมานี่หละ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 ให้ละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญเรานี่ก็ดีว่าทำบุญไม่ละบาปมันไม่หมดมันเป็นเชื้อโรคติดต่อกันอยูต่ตลอดเวลาทั้งเดือดร้อนที่มันเป็นสยอย่างนี้อืหัวใจพุทธศาสนาท่านสอนว่าไม่ให้กระทำความผิดจะกระทำผิดเป็นกุศลต่อไปเกิดปัญญาทุกวันนี้เราแสดงหาทำบุญกัน แต่การละบาปนั่นไม่ค่อยมีใครคิดเห็ น, นในทางที่ดีมันจะต้องละบาปก่อนจิงบำเพ็ญบุญถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปไว้ตรงไหนบุญไม่อยู่ละไม่มีที่อยู่แล้วบุญนะนั่นนี่มันเป็นเช่นนั้น เราจรึงว่าเครื่องสุกปกออกจากใจของเราเสียเดี๋ยวจึงทําความสะอาดก็ต้องเป็นอย่างนี้ท <c oughs> ี่เป็นหลักที่เปเรียบเทียบจะต้องเป็นอย่างนั้นมัอไมันเห็นชัดมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้อย่างนั้นจึงไม่มีใครจะถอยออกมาถอยว่าพิจารณา <c oughs> อืมให้มันเห็นชัดตามหลักพุทธศาสนา แต่ชื่อของหลักพุทธศาสนาคุมไวเท่า<อ>นั้น